ที่จะมาศึกษามาหาความรู้จากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทั้งปวงเพราะเป็นความรู้ที่ทําให้ผู้มีความรู้นี้เอาตัวรอดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้ ความรู้ต่างๆในทางโลกที่เราเรียนกันตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ต, งตั้งแต่ระดับปริญญาตรีโทเองความรู้ต่างๆเหล่านี้เป็นความรู้แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกข์ต่อให้เรียนจบปริญญาเอกก็ยังมีความทุกข์ มีความเศร้าโศกเสียใจมีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลต่างๆมีความรู้เพียงความรู้เดียวคือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้ผู้ที่ได้เรียนรู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งป่วงจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจวิตกกังวลหวงใย g เดือเดเนื้อร้อนใจไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเพราะความรู้นี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความทุกข์ของพวกเรานั่นเองความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของความสุขของความทุกข์ของใจของพวกเราว่าใจของพวกเราสุขได้อย่างไรทุกได้อย่างไร มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดจากพระองค์ความทุกข์ใจนี้เกิดตอนที่พระองค์ได้ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็ทรง ย้อนกลับมาที่ตัวพรอองค์เองว่าต่อไปพรอองค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายพอรู้ว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขต่างๆที่พรอองค์ทรงมีจากการมีพระราชทรัพจากการมีปราสาสามฤดูจากการมี บริสัทธ์บริวารจากการมีสิ่งต่างๆมาให้ทรงได้เสพได้สัมผัสได้มีความสุขความสุขต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถมากำจัดความไม่สบายใจของพระองค์ได้เลยเพราะพระองค์ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตาย แต่พระ อ, องค์ไม่ทรงรู้ว่าความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายของพระ อ, องค์นี้แหละที่ทําให้พระ อ, องค์ต้องทุกข์ทรมานใจพระ อ, องค์จึงไม่มีความสุขกับการอยู่ในวังเอกต่อไปถึงแม้ว่าจะมีอะไรต่างๆที่พวกเราคนในโลกอย่างพวกเรานี้ยินดีรับกันชอบกันแต่สําหรับพระพุทธเจ้า หลังจากที่เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายแล้วก็องนี้หมดอารมณ์กับความสุขต่างๆความสุขจากการได้ดื่มได้รับประทานจากความสุขจากการได้ดูได้ฟังมหรสบันเทิงต่างๆความสุขจากการได้ร่วมหลับนอนกับพระมาเหสีก็มันไม่มีความสุขอีกแล้ว พอคือถึงความแก่ความเจ็บความตายเพราะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะไม่สามารถหาความสุขต่างๆเหล่านี้ได้อีกต่อไปนั่นเองพระองค์จึงคิดอยากจะออกไปหาวิธีที่จะทาให้พระองค์ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายออ ก, ก็เห็นนัก บ, บวชและได้ทราบว่านัก บ, บวชนี้ เป็นผู้ที่แสวงหาทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทางสู่การหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ก็เลยตัดสินพระไตรสลารชสมบัติแล้วก็ออกไปบวชอยู่แบบนักบวชถือศีลแล้วก็ไปศึกษาวิธี ที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ศึกษากับครูอาจารย์หลายรูปแต่ท่านก็สามารถสอนให้ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวคือให้นั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตสงบจิตไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็หายไปความสุข ความสบายใจก็กลับคืนมาแต่พอออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความไม่สบายใจก็กลับมาอีกความทุกข์ใจก็กลับมาอีกศึกษากับใครที่ไหนก็ไม่มีใครสามารถดับความทุกข์ใจในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิได้ รู้แต่วิธีดับด้วยการเข้าไปในสมาธิเท่านั้นพระองค์ก็เลยรู้ว่าการดับความทุกข์ด้วยการเข้าไปในสมาธิ น, น, น, ธนี้ยังไม่ได้เป็นการดับความทุกข์อย่างแท้จริงอย่างถาวรเพราะเวลาออกจากสมาธิมาใจก็ทุกข์ขึ้นมาอีก mm hmm. พระองค์เลยต้องไปทดลองค้นคว้าศึกษาหาด้วยตนเอง mm hmm. ลองผิดลองถูกอยู่ จนในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบความจริงว่าที่ใจของพระ อ, องค์ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายก็เพราะความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่เองเวลาที่อยู่ในสมาธิความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันหยุดทำงานชั่วคราวความทุกข์ก็เลยหายไปแต่พอออกจากสมาธิมา ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็โผล่ขึ้นม า, าอีกก็เลยทำให้พระองค์ไม่สบายใจอีกดังนั้นพระองค์จึงใช้วิธีดับความทุกข์ด้วยการหยุดความอยากด้วยการพิจารณาว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือไม่เราไปห้ามมันได้หรือไม่ ห้ามยังไงก็ห้ามไม่ได้ใครเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่จะทุกหรือไม่ทุกนี้อยู่ที่ว่าอยากหรือไม่อยากถ้าไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิตอนนั้นไม่ทุกข์แต่ตอนออกมาทุกข์เพราะมีความอยากถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปอยากมัน ต้องยอมรับความจริงยอมรับว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ไปได้แต่สามารถล่วงพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ถ้าเรายอมรับความจริง ถ้าเรายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเวลาเรายอมก็แสดงว่าเราไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราไม่ยอมก็แสดงว่าเรายังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่นั่นเองเราจึงทุกข์กันไม่เชื่อลองไปทดลองทำดู เวลาแก่แล้วยอมแก่อย่าไปย้อมผมอย่าไปดัดแต่งหน้าอย่าไปเสริมาทาสัญยกรรมตกแต่งรับรองได้ว่าเวลาแก่จะไม่ทุกขกับความแก่ยอมรับความแก่ว่าเราแก่แล้วเราจะไปเป็นเหมือนหนุ่มสาวเขาได้อย่างไรเราก็ต้องอยู่แบบคนแก่อยู่ถ้าเราอยู่แบบคนแก่อยู่ได้ เราก็จะสบายใจไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเรายังอยากเป็นสาวอยากเป็นหนุ่มอยู่เราก็ต้องไปหาหมอให้ไปทําศัญญกรรมตกแต่งให้ไปหาวิธีรักษาไม่ให้ผมหงอกวิธีรักษาไม่ให้ผมร่วงก็จะวุ่นวายไปกับการที่จะพยายามทาตัวให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆซึ่งทำยังไง ต่อไปมันก็ทําไม่ได้หนังมันก็จะหิวไปเรื่อยๆผมมันก็จะงอผมก็จะบางไปเรื่อย mm hmm. ทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ายอมแก่แล้วสบายใจอยู่กับความแก่เช่นเดียวกับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราทุกข์กันก็เพราะเราไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะหายใช่ไหมพอไม่สบายปุ๊บนี่อยากจะหายทันทีเลย อยากยังไงมันก็ไม่หายเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะหายหากไปอยากไปก็ทุกไปเปล่ า, าแต่ถ้าเรายอมยอมให้มันเจ็บไปเดี๋ยวถึงเวลาก็หายเองรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปถ้าเราอยู่กับมันอยู่เฉยๆอยู่แบบไม่มีความอยากให้มันหายเราจะไม่ทุกข์กัน เช่นเดียวกับความตายเมื่อเราถึงเวลาต้องตายเราก็ยอมตายเพราะไม่มีทางหนีเหมือนหนีไปที่ไหนมันก็ตามเราไปความตายนี้มันเป็นเงาตามตัวเราต่อให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยขนาดไหนก็ตามก็ต้องตายเมื่อถึงเวลาถ้าเราไม่ยอมตายเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเรายอมตายเราจะไม่ทุกข์เลย นี้เรายังยอมไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากของเราความอยากของเรานี้มันมีกําลังมากกว่าเราถ้าเราอยากจะมีกําลังมากกว่ามันเราต้องมาหัดนั่งสมาธิกันมาหัดหยุดความคิดกันเพราะความคิดนี้จะทําให้เกิดความอยาก ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายนะเราต้องมาหัดหยุดความคิดวิธีที่จะหยุดความคิดเราก็ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปคำบริกรรมนี้เป็นเหมือนเบรกที่จะหยุดความคิดของเราได้ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไป เราก็จะไปคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายไม่ได้พอเราไม่คิดเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเวลาเราไม่ได้คิดเราก็จะไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าเราพุทโทไม่ได้เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมา เราก็จะทุกข์เราก็จะวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นะเนล่งเหลืออีกสามเดือนนี่ยังไม่ทันตายเลยก็ทุกข์ไปแลกกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวนกังวายกระสับกระส่ายแต่ถ้าเราใช้พุทโธเป็นเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือ ยอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ท่องมันไปเรื่อยๆต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้มันไม่พ้นหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมเสียยอมแล้วมันจะหยุดต่อสู้หยุดความอยากยอมแล้วมันก็จะเย็นจะสบาย ท่านสอนให้เราจำสูตรสามยอไว้ยอมหยุดแล้วก็เย็นยอมรับความจริงเมื่อเรารับความจริงได้เราก็จะหยุดต่อต่อต้านต่อต้านความจริงหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ใจก็จะเย็นสบายความทุกร้อนใจก็จะหายไป นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ส่งค้นพบตอนนี้พวกเราได้รู้แล้วว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่เรายังไม่มีเครื่องมือที่จะมาทําให้ใจยอมรับความจริงอันนี้เรายังไม่มีสติเรายังไม่มีสมาธิกัน ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่เจริญสติไม่เจริญสมาธิถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากเราก็จะหยุดความอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังที่จะหยุดมันเหมือนกับเราเวลาลดยางแตกนี่เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนยางแต่เราถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็เปลี่ยนไม่ได้ แต่ถ้าเรามีเครื่องมือแล้วเราใช้เป็นเช่นในรถเขาจะติดที่แม่แรงไว้สำหรับยกล้อขึ้นแล้วก็ที่ขันนอ็อตถ้าเราใช้แม่แรงเป็นใช้ที่ขันน็อตเป็นเราก็จะสามารถเปลี่ยนยางได้พ อ, อยางแตกเราก็เอาแม่แรงเข้าไปใส่ยกล้อขึ้นมาถอดล้อออกเอาล้อที่เอาล้อใหม่ใส่กลับไป เราก็สามารถเปลี่ยนอยากได้เพราะเรามีเครื่องมือตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือที่จะมาเปลี่ยนใจเราใจเรามันจะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพียงอย่างเดียวถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใจเราเราต้องเอาเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราก็คือเราต้องมาฝึกสติกันมานั่งสมาธิกันการที่เราจะฝึกสตินี้ เราต้องฝึกบ่อยๆไม่ใช่จะมาฝึกตอนที่นั่งสมาธิถ้ายังไม่ได้ฝึกสติเลยพอมานั่งสมาธินี้ใจมันจะไม่ยอมหยุดคิดนั่งแล้วมันก็ไม่นิ่งไม่สงบนั่งได้เดียวเดียวก็อยากจะลุกแล้วงนั้นถ้าเราอยากจะนั่งให้ใจสงบให้ใจหยุดความอยากต่างๆได้เราต้องหัดฝึกสติอยู่เรื่อยๆ พระพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรนี้เราก็ท่องพุโทโธไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปอาบนา้ำล้างหน้าแต่งหน้าทาปากหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารท่องพุโทโธไป อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องการหยุดความคิดแล้วพอเราสามารถท่องพุโทโธได้หยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิเราก็จะทำใจให้สงบได้หยุดความอยากต่างๆได้พอเราหยุดได้แล้วเราก็จะมีกําลังเวลาที่เราไม่อยู่ในสมาธิเราก็จะสามารถหยุดมันได้เวลาคิดถึงความแก่เราก็หยุดมัน เวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายเวลาเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็หยุดมันได้เพราะถ้าไม่หยุดมันจะทุกข์ไปเปล่าๆแล้วมันก็ไม่ได้ไปทําให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่อย่างใดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ไม่สามารถหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้ แต่กลับจะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาโดยใช่เหตุเราไม่จาเป็นจะต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเลยแต่เราโง่กันเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายกันทั้งๆที่รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ไม่ยอมรับความจริงกันนี่คือความโง่อของเราเราเป็นคนสร้างความทุกข์ให้กับเราเองไม่มีใครมาทาให้เราทุกข์ ความแก่ความเจ็บความตายนี้เขาไม่สามารถทําให้เราทุกข์ได้สิ่งที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เท่านั้นเองถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้องมาหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันวิธีที่จะหยุดก็ต้องมาสร้างสติกันมาท่องพุทโธพุทโธกันลองทําดูสักวันสิรับรองได้ว่า จะเห็นความแตกต่างในจิตใจของเราเลยจิตใจเราที่ร้อนวุ่นวายนี้จะเย็นจะสงบจะสบายจะลดความอยากต่างๆได้จะมีความสุขกับการที่เราอยู่เฉยๆไม่มีอะไรให้เราทำไม่มีอะไรให้เราดูให้เราฟังเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยถ้าใจเรามีสติใจเราจะเย็นจะมีความสุข งั้หัดทามาเจริญสติกันมาพุโทโธพุโทโธกันถ้าเบื่อพุโทโธจะเปลี่ยนเป็นการสวดมนต์ก็ได้สวดอิติปิโสไปก็ได้อิติปิโสอรหังสัมมาสวดไปสักร้อยจบแล้วใจจะเบาจะเย็นจะสบายสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงแล้วรับรองได้ว่าความคิดต่างๆความอยากต่างๆนี้ มันจะเบามันจะหายไปเวลามันโผล่ขึ้นมาเราก็สอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากทําแล้วจะทําให้เราทุกข์ใจอย่าไปอยากไม่แก่อย่าไปอยากไม่เจ็บอย่าไปอยากไม่ตายแล้วพอเราหยุดความอยากได้ความแก่ความเจ็บความตายนี้จะไม่เป็นปัญหากับเราเพราะพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแล้วพภาษาวก ที่เชื่อพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามก็ได้พิสูจน์แล้วว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเล ย, พ ร, พ, เ ย, ยพระพุทธเจ้ากับพระพสาวโลกนี้ท่านไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายเลยทัานแก่ได้อย่างสบายเจ็บได้อย่างสบายตายได้อย่างสบาย เมื่อก่อนท่านก็ทุกข์เหมือนพวกเราท่านก็ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายแต่พอพระพุทธเจ้าได้สมค้นพบต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอพระองค์หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พระองค์ก็หายทุกข์แล้วก็มาสั่งสอนคนอื่นคนอื่นที่เชื่อนาเอาไปปฏิบัติก็าหายทุกข์ได้ พวกเราถ้าเชื่อแล้ ว, ลวน้อมเอาไปปฏิบัติเราก็จะหายจากความทุกข์ได้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นพระหรือเป็นญาติโยมสามารถดับความทุกข์ได้ด้วยกันทุกคนไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นพระก็ได้ถ้าสามารถจเจริญสติหยุดความอยากหยุดความคิดได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกัน ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วลองเอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอเราเป็นเหมือนคนไข้ mm hmm. เวลาเราไม่สบายไปหาหมอหมอก็ให้ยามารับประทานเราจะเชื่อหมอหรือไม่เชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่รับประทานยาเมื่อเราไม่รับประทานยาโรคของเราก็จะไม่หายแล้วเราก็ไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้รักษาได้หรือไม่ แต่ถ้าเราเชื่อเอาทดลองดูลองกินดูเผื่อมันจะหายถ้าไม่หายจะได้รู้ว่ายานนี้รักษาไม่ได้ก็ต่อไปก็ไม่ต้องไปกินมันไม่ต้องไปเชื่อหมอคนนี้ฉันใดก็ฉันนั้นตอนนี้ขอให้เราลองเชื่อพระพุทธเจ้าดูกันลองมาเจริญสติกันลองมาหยุดความคิดกันลองมาหยุดความอยากกันแล้วดูว่าความทุกข์ภายในใจของเราหายไปหรือไม่ ถ้าไม่หายเราจะได้ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอีกต่อไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาพุทโธให้เสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเราไม่พิสูจน์เราไม่ปฏิบัติด้วยตัวเราเองเราจะไม่มีวันรู้อย่างโบราณเขาว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นต่อให้เราพูดปากเปียกปากฉีกมาไม่รู้กี่ปีแล้วถ้าไม่เอาไปปฏิบัติมันก็จะไม่เห็นอยู่ดีดังนั้น ขอให้ลองไปปฏิบัติสักครั้งเถอะลองไปเจริญสติหยุดความคิดทำใจให้สงบให้ได้สักครั้งหนึ่งเถอะแล้วดูว่าความทุกข์ต่างๆมันจะหายไปหรือไม่ถ้าไม่หายก็จะได้ไม่ต้องมาวัดอีกต่อไปไปเที่ยวกันให้เต็มที่เลยอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะทำอะไรก็ทำไปเพราะว่าคำสอนของพระเจ้านี้มันไม่เป็นความจริงถูกหลอกมา วัดทาไมมาให้หลอกทำไมใช่ไไปหาความสุขดีกว่าตายไปก็จบไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มาทำบุญมาละบาปกันทำไมให้เสียเวลาอลองไปพิสูจน์ดูแล้วเราจะได้รู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรกันหน้าการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจ